อาเจริณพรทุกทุกท่านเะหมดปีหนึ่งแล้วนะใกล้เดือนสุดท้ายแล้วเมื่อปีไกลจำได้ไหมเต็มไปด้วยคำพยากรณ์น่ากลัวเยอะแยะเลยปีนี้โอ๊ยหายนะอย่างนี้อย่างนี้เนานนะมากมายผิดหวังไหมมันไม่เกิดคง <c oughs> ไม่ผิดหวังนะ แสดงว่าถ้าเขาไม่ใช่ทายผิดนะเขาทายเก่งทายถูกก็แสดงว่าบุญของพวกเรามากขึ้น เ, เราก็ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะสตีกันเขาก็เลิกสะก่ อ, อย่างนี้ก็ยังดีไหนๆก็พูดถึงพยากรแล้วหลวงพ่อพยากรเลยปีหน้าไม่มีพลาดปีหน้าอะไรๆก็ไม่แน่หรอกถ้าทายอย่างนี้ไงก็ไม่ผิดครับ ในโลกนี้มันเต็มจะกของไม่แน่ไม่แน่นอนสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยต้องมีเหตุมีปัจจัยกำหนดนะมีเหตุอย่างนี้อย่าง น, างนี้อย่างนี้มาประกอบกันจะเกิดผลขึ้นมาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเต็มไปด้วยเหตุกับผลทั้งหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลยที่เป็นคำสอนที่งดงาม คําสอนซึ่งไม่มีใครต้านทานได้เราสมมูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลถ้าเราดูทุกๆเรื่องนะในคําสอนของท่านเนะมันจะมีขั้นมีตอนเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีอะไรจะเต็มไปหมดเลยแต่ทั่งเรื่องความทุกข์ท่านก็บอกความทุกข์คืออะไรอะไรเป็นเหตุของความทุกข์เนี่ย วิธีปฏิบัติก็คือทําลายเหตุของมันจเจริญมรรคไปทำลายเหตุของความทุกข์มรรคก็เป็นเหตุอีกอันหนึ่งส่งผลให้เกิดผลมีมรรคก็มีผลนี่ก็เป็นเหตุกับผลอีกสมุทัยทําให้เกิดทุกข์นี่ก็เป็นเหตุกับผลอีกนั้นธรรมะของพพกที่เจ้าเนี่ยเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลงั้นไม่ใช่ธรรมะเผื่อพลุกเผื่อเลือก มีความชัดเจนมีความแน่นอนไม่ดิน้นเพียงแต่ว่าปัญญาของเราเนี่เข้าถึงลำบากนิดหนึ่งเพราะปรากฏการอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนะเกิดจากเหตุปัจจัยจํานวนมากมันไม่ใช่แค่ A แล้วก็ไป B แล้วไป C นะมัน A อบีแล้วก็ไป F อฟอะไรเงี้ยมีปัจจัยจํานวนมากทําให้เกิดปรากฏการแต่ละอย่างแต่ละอย่างขึ้นมา อย่างความโกรธจะเกิดขึ้นได้เพราะมีเหตุปัจจัยจํานวนมากอันแรกเลยเราต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจต่อมาเราก็ต้องมีพื้นเดิมขี้โมโหแล้วก็มีการตรึกมีการคิดไปในอารมณ์ที่ไม่ชอบใจคิดในทางลบคิดในทางไม่ดีพยาบาทวิตกเกิดขึ้นี่มีหลายปัจจัยเกิดขึ้นความโกรธ ถ, ถึงจะเกิด ความรอบความหลงหรือกระทั่งสตินะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดจากเหตุทั้งสิ้นเลยท่านสอนได้ละเอียดละอ่อไม่มีคำสอนของใครเหมือนอย่างของท่า น, นท่านไม่พูดถึงพระจงพระเจ้าอะไรทั้งสิ้นนะท่านพูดถึงเหตุกับผลทั้งสิ้นเลยถ้าเราเข้าใจตามที่ท่านสอ น, นเราก็จะไปสู่ผลที่ท่านชี้เอาไว้นะอย่างเราปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักที่ท่านสอนสิ่งที่ได้มาคือ ความรู้ถูกความเข้าใจถูกคือตัวสมาทิฐิถ้าเมื่อไรเรามีสมาทิฐิสมาที่เหลือทั้งหมดก็จะมีขึ้นมาด้วยนะเกิดพร้อมๆกันเลยใจก็จะเข้าสู่ความบริสุทธิ์หมดจดใจเข้าสู่ความพ้นทุกนขะ์ท่านถึงสอนบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญามีปัญญาไปรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจในทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เรื่องเหตุกับผลทั้งหมดเลย การปฏิบัติก็มีลำดับมีขั้นตอนนะไม่ใช่อยู่ๆเราจะไปทำปลายทางอย่างบอกว่าหลวงปูด่ดนใเคสอนปลายทางของการปฏิบัตินะมีคนไปถามท่านมีพระอะไรไปถามท่านว่าไปหาครูบาอาจารย์ต่างๆแต่และองค์ก็มีเครื่องอยู่ไม่เหมือนกันอย่างบางองค์หลวงปู่เทศเนี่ยอยู่กับพรหมวิหารนะอะปมัญญาเลยระดับอะปมัญญาไม่มีขอบไม่มีเขตอนะไรย่าง ว่างกว้างไงใครสารึกถึงท่านก็มีความสุขนะคนจะชอบเท่าใกล้ท่านมีความสุขท่านก็มีความสุขนะแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยมีเครื่องอยู่ที่ไม่เหมือนกันเขาถามว่าหลวงปู่ดูลมีเครื่องอยู่กับอะไรท่านบอกเราอยู่กับรู้คนถามแล้งงว่าอยู่กับรู้อยู่กับยังไงท่านบอกว่าว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่าง ถ้าเราได้ยินคําสอนอย่างนี้นะเราก็พยายามทําจิตของเราให้ว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเราพยายามไปเรียนผลถ้าเราพยายามเรียนผลเนี่ยเราไม่มีทางเข้าถึงผล น, นั้นได้เลยเราต้องทําเหตุการที่จะเข้าถึงความบริสุทธิ์ขนาดนั้นได้เนี่ยจิตต้องทรงปัญญาเต็มภูมินะ รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะที่เรียกว่าอริยสัจหลวงปู่ดูลเนี่ยท่านรู้อริยสัจนะท่านเรียนจากหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนธรรมะเบื้องต้นให้ท่านทนะีนี้ท่านภาวนาไม่นานท่านก็เข้าใจธรรมะขั้นต้นก็ไปหาหลวงปู่มั่นต่อหลวงปู่มั่นก็สอนให้ท่านนะบอกว่าต่อไปนี้ให้รู้ตรงนี้นะว่าสัพเพสังคาราสัพพัญญาอานิจจานะ สัญญาทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสเพสังคาราสรพสัญญาอนัตตาสัญญาทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวใช่ตนสังเกตไหมไม่มีตัวทุกว่าสังขารทั้งหลายเป็นตัวทุกเนี่ยไม่ได้สอนตัวนี้ทำไมกระโดดอนิจจังแล้วขึ้นอนัตตาถ้าเราดูจิตดูใจเราจะพบว่าการดูจิตดูใจเนี่ยเราจะเห็นอนิจจังและอนัตตานี่ชัดถ้าดูกายเนี่ยจะเห็นตัวทุกชัด นั้นในบทสวมดมนต์จะมีนะมีอยู่บทหนึ่งบอกว่ารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังแล้วขึ้นรูปังอนัตตาเลยไม่มีรูปังทุกข์ขันธกระโดดเลยทําไมพระพุทธเจ้าก็สอนกระโดดเอาไว้เหมือนกันเพราะว่าคนที่ดูขันธ์เนี่ยพวกที่ดูขันธ์เนี่ยขันธ์ห้าเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกดูจิตพวกที่ชอบรู้นามาทำ ถ้าพวกชอบรู้รู ป, ปรธรรมก็จะไปดูอายตนะในขัน5้าเนี่ยรูปเป็นตัวรูปมีหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมี4ี่เป็นนามธรรมานะงั้นถ้าแจกแจงโดยขันเนี่ยจะแจกแจงสำหรับให้พวกที่สนใจชอบเรียนรู้นามธรรมานะถ้าพวกเรียนรู้รู ป, ปรธรรมจะสอนอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายเห็นหนี่เป็นส่วนของร่างกายส่วนของรูป มีใจเป็นส่วนของนามาทํามีหนึ่งเท่านั้นเองนะองั้นเพราะงั้นเวลาท่านสอนถึงขันธ์ห้าเนี่ยบางทีท่านก็ชี้ลงมาเลยสําหรับการปฏิบัติว่ามันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตานะก็โดดไปเลยงั้นถ้าเรามาหัดภาวนานะมาดูจิตดูใจของเราเราก็จะเห็นเลยว่าอย่างความโกรธจิตแต่เดิมไม่โกรธตอนนี้โกรธจิตตะกี้โกรธตอนนี้ไม่โกรธเนี่ย นี่แสดงความไม่เที่ยงที่ชัดเจนนะแค่สภาวะต่างๆเกิดขึ้นนะอยู่ได้ชั่วคราวแวบเดียวก็หายความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนนี่แสดงความไม่เที่ยงและการที่สภาวะทั้งหลายจะเกิดสภาวะทั้งหลายจะตั้งอยู่หรือสภาวะทั้งหลายจะดับไปเราบังคับไม่ได้เป็นไปนตามเหตุตามปัจจัยของมันนะนี่ก็แสดงอนัตตาเงัอนอย่างโลวงปูมั่นสอนหลวงปู่ดุล น, นะบอกสเปสังคารานิจจา สัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาส อ, อนไปอนิจจังแล้วไปอนัตตาหลวงปู่ ด, ดูลท่านก็มาดูจิตดูใจของท่านในสุดในประวัติท่านนะท่านไม่เคยเล่าให้หลวงพ่อฟังหรอกแต่ว่าท่านเล่าให้พระอุปัชฌาย์หลวงพ่อฟังท่านเอามาเขียนเป็นหนังสือประวัติไว้เมื่อหลวงปู่ ด, ดูลดูอยู่ไม่กี่เดือนก็รู้แจ้งในอริยศาสตร์แห่งจิต รู้ว่าถ้าจิตเรามีความทยานอยากจิตส่งออกนอกจิตส่งออกนอกจิตมันมีความทยานอยากนั่นเองอยากในรูปอยากในเสียงอยากในกลิ่นอยากในรสอยากในสัมผัสอยากรู้อยากเห็นอยากเสพเรื่องราวทางใจเรียกว่ามีตัณหาในรูปมีตัณหาในเสียงมีตัณหาในกลิ่นในรสในสัมผัสมีตัณหาทางใจตัณหาทางใจเรียกว่าธรรมตัณหา Usa, ถ้าจิตมีความทยานอยากนะจิตส่งออกนอกจะเคลื่อนไปเคลื่อนไปที่ไหนเคลื่อนไปที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสอย่างยุงมากัดเรานะจิตเราเคลื่อนไปที่ยุงเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราจิตเราเคลื่อนไปที่คนที่มาปาดหน้านจิตจะเคลื่อนออกไปข้างนอกตลอดเลยถ้าจิตเคลื่อนออกไปแล้วไปก่อเรื่องไปก่อเวรก่อกรรมก่อทุกข์ก่อความดิ้นรนปรุงแต่งขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสตินะ รู้เท่าทันจิตมันเคลื่อนไปเรารู้ทันนะความเคลื่อนจะดับนะตัณหามันจะดับจิตเรตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่พอจิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เราก็จะเห็นความจริงของกายของใจได้หลวงปู่บอกว่าให้มียานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเราจะมียานคือมีปัญญาเห็นจิตได้นะจิตเราต้องไม่หลงออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าจิตหลงไปในเรื่องราวที่คิดนึกหลงไปกับรูปที่เห็นกับเสียงที่ได้ยิน กับกลิ่นที่ไปได้ดมมากนะับรถที่ไปรู้เนี่ยจิตไหลออกข้างนอกไปอย่างเนี้ยจิตมันก็ไม่ย้อนมารู้ทันจิตนะงั้นท่านสอนหนาอย่าส่งจิตออกนอกก็คือให้มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไวนะ้แล้วก็สภาวะอะไรเกิดขึ้นที่จิตให้มีญาณคือมีปัญญารู้ทันเช่นความโกรธเกิดขึ้นการที่ความโกรธเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเราจะไปรู้มันเนี่ยรู้ได้สองชั้นซ้อนกันชั้นที่หนึ่งรู้ได้สติ คือรู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นชั้นที่สองรู้ได้ญานหรือรู้ได้ปัญญาก็จะเห็นว่าความโกรธนั้นเป็นของไม่เที่ยงแต่เดิมไม่โกรธตอนนี้โกรธเมื่อกี้โกรธตอนนี้หายโกรธนี่ไม่เที่ยงแล้วก็ความโกรธจะเกิดหรือความโกรธจะตั้งอยู่หรือความโกรธจะดับไปเนี่ยเราสั่งไม่ได้เราไม่ได้สั่งให้โกรธนะอย่างคนขับรถปาดหน้าเราเราไปคิดปุ๊บใจมันโกรธเราไม่ได้สั่งให้จิตโกรธจิตโกรธของจิตได้เอง พอเรามีสติรู้ทันเราไม่ได้ไปคิดถึงคนที่ปาดหน้าเราเรารู้ทันความโกรธนะเราไม่สนใจคนที่ทำให้โกรธเหตุปัจจัยของความโกรธก็ไม่สมบูรณ์เราไม่ได้ไปิดตรึกที่ทาให้โกรธขึ้นมาความโกรธก็ดับดับเพราะว่าเหตุมันดับไม่ใช่ดับเพราะว่าเราเก่งนะเนี่ยท่านสอนให้เรามีญาณญาณคือการมีปัญญาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตของใจนะ ที่หลวงปูมั่นสอนหลวงปูดูลเนี่ยสอนให้ดูตัวสังขารกับตัวสัญญาสังขารกับสัญญาเนี่ยทำงานควบกันนะสังขารในความปรุงของจิตปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงกลางๆงไม่ดีไม่ชั่วบ้างนะสังขารเนี่ยปรุงขึ้นมาได้อาศัยสัญญานะเช่นเรานึกถึงคนคนหนึ่งขึ้นมาสังขารก็ปรุงนะเกลียดคนคนนี้ขึ้นมาคนคนนี้เคยโกงแชร์เราเมื่อ20ปีก่อน อยู่ๆหน้าของคนคนนี้ก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยสัญญามันผุดขึ้นมาสังขารก็ปลุงเลยเมื่อเกลียดมันนะหรือคนนี้เราเคยรักอยู่ผุดขึ้นมาสัญญาผุดขึ้นมาสังขารก็ปลุงอาศัยสัญญานะก็สังขารก็ปลุงความจริงยังมีอีกตัวหนึ่งที่ทําให้สังขารปลุงได้นะก็คือตัวเวทนางั้นสัญญาและเวทนาเนี่ยเลยเป็นจิตตสังขารเป็นตัวที่ทําให้จิตปลุงนี่หลวงปูมั่นเนี่ยสอนให้หลวงปูดุล ดูแค่ตัวสัญญากับสังขาร น, นะไม่ได้ไปถึงตัวเวทนาหรือความสุขทุกข์เพราะท่านพิจารณาแล้วว่าหลวงปู่ดูลดูแค่นี้ก็พอแล้วนะเนี่ยถ้าพวกเราดูสัญญาดูสังขารไม่ถนัดนะเราก็ดูเวทนานะสัญญากับเวทนาแล้วจะมาปรุงสังขารได้อีกนะก็ปรุงขึ้นมาได้ดูตัวไหนก็ได้นะตัวที่ปรุงจิตมันก็จะเห็นเลย จิตที่โลภมันก็ไม่เที่ยงจิตที่โกรธมันก็ไม่เที่ยงจิตที่หลงมันก็ไม่เที่ยงจิตที่ฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงจิตที่หดหู่ก็ไม่เที่ยงจิตที่มีความสุขก็ไม่เที่ยงนะจิตที่มีความทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงอย่างนี้แหละเรียกว่าการเจริญปัญญามีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปหมายถึงว่าจิตมันขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวยังไรนะเรามีญาณเรารู้ได้ปัญญารู้เท่าทันมัน นะมีสติรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทั้งหลายมีปัญญาเข้าใจความเป็นไตรลักษณนะ์ของสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยให้เราภาวนานะาคอยรู้เท่าทันอยู่อย่างนี้ไม่นานหรอกหนะลวงปู่ดูลเนี่ยตามประวัตินะไม่กี่เดือนเนยลยหลวงปูมั่นสอนโลวุปดูลแล้วไม่กี่เดือนนะหลวุปดูลก็รู้อริยสัจแห่งจิตรู้ว่าเนี่ยถ้าจิตมันส่งออกไปจิตมีตัณหาเนี่ย จตเาจะไปเสพอารมณ์นะไปจับอารมณ์นะความทุกข์ก็เกิดนะถ้าเรามีสติอยู่นะมีจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งรู้เท่าทันจิตจิตไม่ไปไหนนะจิตเรารู้จิตอย่างแจ่มแจ้งก็คือเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ได้นั่นแหละเรียกว่ามีจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งถ้าแค่มีจิตเห็นจิตแต่ว่าไม่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยไม่แจ่มแจ้งอยังค้นทุกข์ไม่ได้ต้องเห็นแจ่มแจ้งคือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตของใจเรา เราเฝ้ารู้เฝ้าดูนะในเวลาไม่นานหลวงปดุลไม่กี่เดือนหรอกถ้วพวกเรามาหัดภาวนาเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไปด้วยไม่นานเราก็เห็นหรอกว่า จ, จิตใจของเราเนี่ยไม่เที่ยง จ, จิตใจของเราเป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราทํางานได้เองโกรธก็โกรธเองโลภ ก, ก็โลภได้เองหลงก็หลงได้เองนะสุขก็สุขเองทุกข์ก็ทุกข์ได้เอง จะสั่งให้สุขก็ไม่เชื่อนะสั่งไม่ได้ความสุขเกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้ห้ามทุกข์มันก็จะทุกข์ทุกข์แล้วไล่มันให้หายเร็วๆมันก็ไม่หายว่าตั้งใจจะไม่โกรธแต่เดี๋ยวๆก็โกรธแล้วตั้งใจว่าอย่าไปคิดถึงคนคนนี้เลยคิดแล้วเศร้าใจมันก็จะคิดอันไหนยิ่งห้ามยิ่งชอบเลยนะจิตเนี่ยบังคับมันไม่ได้จริงหรอกเนี่ยเรามาเรียนรู้นะเรามาดูของจริงเราจะเห็นเลยจิตเป็นของที่บังคับมันไม่ได้จริงหรอก สั่งให้สุขมันก็ไม่เชือ่อสั่งให้สงบมันก็ไม่ฟังนะสั่งให้ดีมันก็ชอบชั่วนีหมุนไปเรื่อยๆ رك, แต่ว่าไม่ว่ามันจะสุขหรือจะสงบหรือจะดีหรือจะชั่วมันก็ไม่เที่ยงมันก็บังคับไม่ได้เหมือนๆกันเราภาวนาเนี่ยเราไม่ได้ภาวนาเอาความสุขเราไม่ได้ภาวนาเอาความสงบเราไม่ได้ภาวนาเอาความดีเพราะความสุขก็ไม่เที่ยงความสงบก็ไม่เที่ยงความดีก็ไม่เที่ยงเราภาวนาให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยง สิ่งทั้งหลายมันบังคับไม่ได้เราต้องการให้มีปัญญาเห็นความจริงตรงนี้ถ้าใจของเรามีปัญญาเห็นความจริงตรงนี้นะว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเนี่ยมีแต่ของไม่เที่ยงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตในใจเรามีแต่ของบังคับไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันก็ไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่จิตใจไปรู้ไปเห็นเข้าก็พลอยบังคับไม่ได้เหมือนเหมือนกันหมดเลยถ้าใจรู้ความจริงตรงนี้นะใจยอมรับความจริงได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ย เราจะไม่ทุกข์หรอกความทุกข์จะเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราไม่ได้ความทุกข์มันมาสู่ใจเราอนนี้เพราะว่าเรายอมรับปรากฏการณ์ที่กําลังเป็นอยู่นี่ไม่ได้อย่างเมื่อปีไกลายน้ําท่วมเรายอมรับไม่ได้ว่าน้ําจะท่วมบ้านเราก็ทุกข์นะพอท่วมหลายๆวันเรายอมรับได้แล้วความทุกข์ก็ลดลงลดลงใช่ไหมหรือความแก่ความแก่อย่างไรพวกเราก็ต้องแก่นี่ก็จะครบปีจะได้แก่อีกหนึ่งปี ใครภูมิใจที่ได้แก่อีกหนึ่งปียกมือซิมีไหมไม่ภูมิใจเลยเหรอได้เป็นรัตตันยูบุคคลผู้รู้ราตรีการนานไม่มีความสุขเลยเหรอตายถ้าล้วใครเดือดร้อนบ้างที่แก่มีไหมโอ้สาธุเลยส่วนใหญ่นะไม่ยินดีไม่ยินร้าย ไม่ทั้งยินดีไม่ทั้งยินร้ายใกล้ความเป็นพระอราหันต์เต็มทีละนะจะแก่ก็ไม่ยินดนะีแก่ก็ไม่ยินร้ายเป็นกลางนะให้เป็นจริงเถอนะถ้าจริงนะโอ้มีความสุขนะมีความสุขมากเลยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าใจยอมรับความจริงได้นะว่าเราต้องป่วยทุกคนเกิดมานะาเจ็บเล็กเจ็บน้อยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว นานๆเจ็บใหญ่ทีหนึ่งเจ็บอย่างมากก็แค่ตายนะความเจ็บพ็ไม่เที่ยงนะอย่างคนเป็นมะเร็งเจ็บใช่ไหมถึงไงก็หายนะอาจจะหายไปจากโรคพร้อมกับมะเร็งนะยังไงก็หายไม่เที่ยงหรอกนะนะถ้าใจเราป่วย้ร่างกายเราป่วยนะใจเรายอมรับได้ใจจะไม่เจ็บไม่ป่วยไปด้วยนะใจจะรู้ใจจะตื่นใจจะเบิกบานมีความสุขนะจใจจะเมียเร่ามีแรงขึ้นมาบางคนหายป่วยเลยเป็นเรื่องแปลก นี่เมื่อสองสาวันนี้มีโยมคนหนึ่งนะเอาผ้าไตรไปถวายหลวงพ่อบอกว่าเมื่อหปีก่อนให้ครบหปีเนะมื่อหปีก่อนเนี่ยเคยมาบอกหลวงพ่อว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วหมอบอกอยู่ได้อีกเดือนหนึ่งก็จะตายแล้วบอกแกพอน้ําไม่ได้แล้วตอนนั้นนะสติแตกหมดแล้วทำไมสติแตกแตกใจนะไม่อยากตายตกใจอยากให้ร่างกายนี้อยู่นานนะ ก็บอกว่าสติก็แตกไปสมาธิก็เสียไปหมดแล้วาภาวนาไม่ได้เลยตอนเนี้มีแต่ทุกข์อย่างเดียวร่างกายก็ทุกข์จิตใจก็ทุกข์ตอนนั้นหลวงพ่อก็บอกแกบอกว่าให้ตัดใจซะว่าร่างกายเราเนี่ยเราสมมติว่าร่างกายเราเนี่ยเหมือนดอกไม้นะเราขอถวายบูชาพระพุทธเจ้าเมื่อดอกไม้ที่เราตัดไปใส่ใจกันบูชาพระเนี่ยดอกไม้จะเหี่ยวไม่ใช่เราเหี่ยวนะ ดอกไม้จะร่วงโรยยังไงไม่ใช่เราร่วงโรยเราถวายพระไปแล้วไม่ใช่ของเราหรอกให้ไปคิดอย่างนี้ให้คิดเอาเลยนะเพราะว่าทำสมาธิอะไรไม่ได้ก็ต้องคิดเอาคิดในทางที่ดีนีอีกสองสามวันสองวันเท่าแก่มานะหน้าแกใสขึ้นนะบอกไปคิดว่าร่างกายเนี่ยเป็นดอกไม้ขอถวายบูชาพระพุทธเจ้าดอกไม้จะเหี่ยวจะเฉาดอกไม้จะร่วงโรยเหลือแต่กิ่งแต่ก้านเลือเน่าไปหมดนะก็เรื่องของดอกไม้แล้วบุญของเราสําเร็จแล้ว แค่คิดอย่างนี้ใจเขาจะมีกําลังขึ้นมาแล้วก็ภาวนานะภาวนาควรจะตายในเดือนเดียวก็ไม่ตายรักษาก็ให้หมอรักษานะไม่ใช่ภาวนาอย่างเดียวเรารอดนะควรละเรื่องกันนะเราต้องรักษาจิตของเราร่างกายก็ให้หมอเขารักษาไปตามหน้าที่ของหมอไม่งั้นเดี๋ยวหมอตกงานเราต้องเห็นใจเขาเหมือนกันนะเราเรียนตั้งนานนะสนใจของเราเนี่ยไม่มีใครมารักษาให้เราได้เราต้องรักษาของเราเอง แนี่แกก็รักษาใจของแกได้นะหมอก็รักษาร่างกายแล้วก็หายนะพอหายแล้วหมอก็บอกว่าโรคมะเร็งชนิดนี้หายแล้วหเดือนจะต้องกลับมาใหม่นะตามสถิติหเดือนอย่างมากที่สุดจะกลับมาแล้วรักษาไม่ได้อีกแล้วปรากฏว่ามันไม่กลับมามันไม่ยอกกลับมาเนี่ยมันไม่เที่ยงเห็นหมคาพยักกรรที่ร้แรงไร้แรงเหมือนน้าจะท่วมตึกสี่ชั้นไม่ท่วม ในหมอบอกว่าอยู่ได้หกเดือนจะตายไม่มาไม่แ ม, ม่มาเลงไม่กลับมานี่แกอยู่มาครบห้าปีก็ให้หมอตรวจเรื่อยๆนะฟอลล์อตรวจระยะระยะระยะเลยะพอครบห้าปีหมอบอกไม่เอาไม่อยากตรวจแล้วเสียเวลามันไม่มีนะก็เลยเอาผ้าไตรมาถาวายหลวงพ่อเป็นค่าบูชาธรรมะเพื <c oughs> ่อสอนให้เอาร่างกายเนี่ยนะเหมือนดอกไม้บูชาพระซะ ทำไมใจมันเข้มแข็งขึ้นมาได้เพราะเรายอมรับความจริงได้ใช่ไหมว่าร่างกายนี้ต้องแก่ร่างกายนี้ต้องเจ็บร่างกายนี้ต้องตายเมือเรายอมรับความจริงได้ว่าดอกไม้ที่เราตัดมาใส่แจกันเนี่ยยังไงก็ต้องเหี่ยวต้องเน่าใช่ถ้าใจยอมรับความจริงได้เนี่ยใจจะไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์นะใจมีความสุขมีความอิ่มมีความเต็มขึ้นมาสมาธิจะเกิดขึ้นเมื่อมีสมาธิแล้วเนี่ยโรคบางโรคหายได้นะ แต่ถ้ารำตัดรอนไม่หายหรอกนะแต่ว่าโรคบางโรคก็หายได้แต่โรคจะหายหรือโรคไม่หายเนี่ยเป็นโรคทางกาแต่โรคทางใจนะหายเด็ดขาดเลยนะค่อยค่อฝึกใจเราสงบใจเราตั้งมั่นใจเรายอมรับความจริงได้ใจก็มีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเห็นไมมีเหตุมีผลเป็นสายเลยนะถ้าใจเรามีความสุขใจเราจะเกิดสมาธิ ถ้าใจมีสมาธิที่ถูกต้องนะปัญญาจะเกิดคือใจมันสงบใจสบายแล้วมันจะเห็นนะความจริงของร่างกายร่างกายต้องแก่ร่างกายต้องเจ็บร่างกายต้องตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาใจก็หมดความยินรนเลยนะก็มีปัญญาขึ้นมาความทุกข์ทางใจอาหายไปนะเพราะงั้นที่เรามาฝึกกรรมฐานเนี่ยเรามาฝึกเพื่อให้ใจมันยอมรับความจริงนะฝึกเพื่อให้ใจยอมรับความจริง ไม่ใช่ฝึกเอาดีไม่ใช่ฝึกเอาสุขไม่ใช่ฝึกเอาสงบเพราะดีไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงสงบไม่เที่ยงแต่ความจริงนะเที่ยงความจริงนะไม่ผันแปรอย่างพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาคําสอนอันเนี้ยสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ว่าตัวธรรมะอันเนี้ยที่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวธรรมะเนี่ยมันเที่ยง พระพุทธเจ้าก่อนๆ ก, ก็สอนอย่างเดียวกันเนี้ยไม่เคยเปลี่ยนเลยนะสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้ากี่องค์กี่องค์ก็สอนอย่างเดียวกันเนี้ยตัวธรรมะนี่แหละตัวความจริงตัวสัจจะเนี่ยไม่ตายตัวสัจจะเนี่ยมันเที่ยงนะแต่ตัวสังขารเนี่ยมันตายมันไม่เที่ยงตัวความปรุงแต่งนะงั้นถ้าเราเข้าใจถึงสัจจะซึ่งมันไม่ตายได้เราก็เข้าถึงความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะ เพาที่แก่ที่เจ็บที่ตายไม่ใช่เราหรอกร่างกายมันแก่ร่างกายมันเจ็บร่างกายมันตายจิตใจมันพลัดพรากจากสิ่งที่รักจิตใจมันประสบกับสิ่งที่ไม่รักจิตใจมันสมอยากบ้างไม่สมอยากบ้างนะนั้นเป็นเรื่องของกายเรื่องของใจนะเป็นเรื่องของสังขารกายนี้ก็เป็นสังขาร น, นะจิตใจเราก็เป็นสังขารเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแต่สัจจะนั้นไม่ตายสั uncle, จจะเป็นความจริงนะความจริงไม่ตาย ถ้าเราเข้าถึงสัจจะเข้าถึงความจริงอันไม่ตายเนี่นะส่วนตัวเราจะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเพราะที่แก่ที่เจ็บที่ตายนะคือตัวสังขารตัวขันขันห้ามันแก่ขันห้ามันเจ็บขันห้ามันตายมันไม่ใช่ตัวเราเพราะขันห้ามันไม่ใช่ตัวเราถ้าเรายังสําคัญมั่นหมายยังยึดถืออยู่ว่าขันห้าเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่นะ ขันห้าแก่เราก็าแก่ด้วยนะขันห้าเจ็บมันกลายปเป็นเราเจ็บขันห้าตายมันกลายเป็นเราตายเนี่ยพราะ ฉ, ะฉะนั้นถ้าเราใจยอมรับความจริงได้นะ <US S 2> เห็นความจริงได้เข้าถึงสัจจะเข้าถึงความจริงได้นะเราก็พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนะแต่ว่าขันน่ะไม่พ้นขนาดขันของพระพุทธเจ้านะก็แก่นะขันของพระพุทธเจ้ า, นะจาก็เจ็บก็ตายเหมือนกันนะไม่ใช่แม่จะแก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ว่าจิตใจซึ่งเข้าถึงสัจจนะเลย นะตัวสัจจะตัวความจริงเนี่ยนะไม่ตายหรอกนะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเข้าใจยากไหมถ้าเข้าใจยากก็มีวิธีที่จะเข้าใจนะคือต้องภาวนาถ้าภาวนาจนใจเข้าถึงสัจจะเราจะรู้เลยเราไม่ตายแล้วเราไม่แก่แล้วนะเพราะไอ้ตัวที่แก่มันไม่ใช่เรานะตัวเรามันไม่มีนะค่อยภาวนาภาวนานะเราจะเจอแต่ของวิเศษ ธรรมมาของพระพุทธเจ้าน่ะอัศจรรย์มากเลยไม่มีใครเหมือนไม่มีอะไรเหมือนพอไหวไหมพอเข้าใจไหมเทศยากไปไหมวันนี้นะส่หน้าไม่ยากเห็นไหมหน้ามันใสใจเป็นคนดู <c oughs> นไม่ยากไม่ยากนะแต่ใจหนีไปไหนหมดเลยนะ <c oughs> ต้องรู้ตัวนะรู้เนื้อรู้ตัวไวหลวงพ่อสอนพวกเราวนเรียนอยู่ในเรื่องของไตรตสิกขาตะก็มีศีลนะ มีสมาธิสมาธิก็คือการที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเจริญปัญญาไปก็คือเห็นความจริงของกายของใจเรื่อยถ้าเห็นความจริงของกายของใจได้ใจยอมรับความจริงใจเข้าถึงสัตตรจจะนะสัจจะความจริงขันห้านี้เป็นตัวทุกขน์นความจริงที่ไม่ธรรมดาท่านเรียกว่าอริยสัจไม่ใช่สัจจะกระจอกงอกง่อยนะนี่เป็นอริยสัจอริยสัจเนี่ยเป็นความจริงที่ปุถุชนเมื่อได้รู้ได้เห็นแล้วเนี่ย ก็จะพ้นจากความเป็นปุถุช น, นะจะเป็นพระอริยะหรือจะเป็นสัจจะหลายได้หลายอย่างนะเป็นความจริงที่ปุถุชนรู้แล้วก็ได้เป็นพระอริยะหรือเป็นความจริงที่พระอริยะรู้ก็ใช้ได้น ะ, นะเราต้องมาเรียนจนใจเราเข้าถึงสัจจะคืออริยสัจสัจจะอย่างโลกโลกนะถวายสัจปฏิญานเลนั้นมันก็แต่คำพูดนะ สัจจะของแท้สัจจะของจริงก็คือตัวอริยสัจอริยสัจเนี่ยไม่ว่าพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็สอนอย่างเดียวกันนะพระสีอริยเมตไตรที่จะมาจัดในอนาคตก็จะสอนอริยสัจไม่ได้สอนอะไรที่นอกเหนือกว่าที่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้สอนดังนัพวกเราอย่าประมาทบางคนประมาทคิดว่าไม่ต้องภาวนาเดี๋ยวไปเจอพระสีอริยเมตไตรแล้วก็จะบรรลุธรรมง่ายๆบรรลุยากอยู่ แต่ถ้าบรรูุง่ายก็เราต้องปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตอนนี้นะให้ใจเราใกล้ที่จะเห็นอริยสัจเนี่ยถ้าคนในบารมีพอก็เห็นมาในชาตินี้แหละบารมีไม่พอก็เห็นชาติต่อต่อไปบารมีน้อยหน่อยก็ภาคเพียรดูไปเนะรื่อยนะรู้ความจริงของกายของใจของรูปของนามไปแนละ้วนะพอไปเจอพระศีริยะเมตไตรมาสอนอริยสัจนะเราฟังปุ๊บเราเคยปฏิบัติแล้วจะเข้าใจอย่างรวดเร็วเลยไม่อื่นไม่ช้าเหมือนชาตินี้หรอกชาตินี้แสดงว่า ยังทามาน้อยนะทามาน้อยทำมาน้อยก็ต้องทำนะว่าบางคนก็ภาวนาได้เร็วบางคนก็ภาวนาได้ช้าแต่ละคนไม่เหมือนกันจิตใจ outgoing, บางคนมันดือ้อบางคนจิตใจมันอ่อนต่อธรรมะได้ยินธรรมะได้ฟังธรรมะใจมันอ่อนเกิดธรรมะลงมือปฏิบัตินะใจยอมรับอย่างรวดเร็วบางคนก็ยอมรับช้าบางคนก็ยอมรับเร็วแล้วแต่ดีกรีความดื้อไม่เหมือนกันนะ คนไหนรู้สึกตัวว่าดื้อมากยกมือสิดื้อมากดื้อมากต้องทุกข์ขาปฏิปทาต้องทำให้หนักหน่อยนะที่มาทำขี้เกียจขี้คลานไม่ได้นะต้องต้องขยันนะคนไหนรู้สึกว่าไม่ดื้อยกมือสิไม่ดื้อเพราะอะไรก็ได้หวานหวานแหวแวแหววสบายใจอย่างนี้ก็ไม่ได้นะ ถ้าใจเราอ่อนกับธรรมะนะเราได้ยินเราได้ฟังธรรมะใจเราจะมีความสุขนะจะมีความเบิกบานด้วยธรรมะถ้าใจของเราฟังธรรมะอะไรวะอะไรมะนะมีแต่เปเช่นมากตลอดเวลาหรืองงหรือฟังแล้วก็ลาคาญใจมันกระด้างกับธรรมะใครฟังหลวงพ่อเทศแล้วมีความสุขบ้างยกมือสิโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยนะแสดงว่าไม่ดื้อหรอกแต่ชี้เกียร <laughs> ใจไม่ค่อยดื้อ น, นะขยันหน่อยเดียวนะถ้าใจไม่ดื้อเนี่ยขยันขยันนะเจ้าพักเดียวมันก็ได้เรื่องหรอกนะเจ็ดปันเจ็ือเจ็ดปีไม่ใช่เหลือวิสัยนะคนสมัยพุทธากาลไม่ใช่อคิวสูงกว่าพวกเรานะแล้วเขาก็อีคิวเขาก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความทุกข์เขาก็เยอะนะโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะสงคร 7, 7, คามก็มากเลยแต่เขาก็พาวนานะพักเพียนเขาก็พ้นทุกข์ไปเยอะแยะแล้ว พวกเรามาทีหลังนะสมัยนั้นพวกเราอาจจะไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ก็ได้เนา ะ, อะตอนที่พระพุทธเจ้ามาตรัสเราก็โมแต่โมธนาสาธุพุทธเจ้าตรัสไม่ได้ลงมือปฏิบัติแยกรูปแยกนามนี่พูดให้กำลังใจนะความจริงบางคนอาจจะยังอยู่ในนรกอยู่ <c oughs> งั้นต้องมีความตั้งอกตั้งใจนะหลงพ่อสอนธรรมะให้แบบหมดเปลือกนะ เหนื่อยมากในการสอนคล้ายๆเข็นควายขึ้นภูเขานะไม่ใช่เข็นโคลกนะ <g ười> ใจพวกเราทีอยากได้นิพพานนะแต่ไม่อยากปฏิบัติโอ้มันคอนทราสต์มากเลยงั้นะอยากได้นิพพานต้องปฏิบัติด้วยเหตุกับผลมันต้องสมควรกันถึงจะไดนะ้การปฏิบัติไม่ยากนะครอยรู้ความจริงของกายครอยรู้ความจริงของใจของเราไปเรื่อยๆ เดี๋ยววันหนึ่งมันก็เห็นเองนะไม่ยากอะไรหรอก<ท>นี่สอนให้แบบละเอียดสอนละเอียดยิบเลยสอนทั้งสอนทั้งเตือนทั้งให้กำลังใจนะทั้งปลอบลสารพัดเลยทั้งขู่บางทีก็ขู่นะรู้ไหมวัตตานี่น่ากลัวนะสัตว์นรกก็มีจริงๆนะไม่ใช่หลอกเด็กนะมีจริงๆ เกรดก็มีนะฮะสุรกายก็มีนะไม่ใช่ไม่มีพวกเราอวัยวุฒิใครเคยเห็นสัตว์ในอบยัยวุฒิบ้างมีไหมไม่เคยเห็นหมาเหรอหมาแมวก็สัตว์ในอบัยภูมินะลืมไปแล้วเหรอนะต้องคิดว่าตัวเป็นตัวที่ไม่มีร่างกายนะไม่มีรูปร่างเป็นวัตถุสัตว์ในอบายาัยวุฒิมีมากนะมากดังนั้นถ้าเรา พอนาเราได้รู้ได้เห็นเราจะรู้ว่าวัตถสงสารน่ากลัวเราประมาทไม่ได้เลยบางทีทำดีมาทั้งชีวิตนะประมาทพลาดพลั้งตอนสุดท้ายขณะจิตสุดท้ายไปเกิดในทางที่ไม่ดีก็มีนะเกิดที่ไม่ดีก็มีในคำพีของเรามีในอัตถกาถาธรรมบทมีมีพระองค์หนึ่งท่านได้จีวรใหม่มา พระสมัยโบราณไม่ค่อยมีจีวร น, นะไม่เหมือนหลวงพ่อนะหลวงพ่อพ่อเราเอาจีวรมาให้หลวงพ่อเยอะมากเลยแล้วหลวงพ่อไม่ได้เอาไปขายนะไม่ได้ไปทิ้งหรอกหลวงพ่อส่งไปช่วยวัดทางภาคอีสานในพื้นที่ที่เขาจนๆอได้ใช้ประโยชน์มากเลยนี่พระท่านไม่ค่อยมีจีวร น, นี่ปรากฏท่านได้จีวรใหม่มาผืนหนึ่งแล้วเกิดตายในวันนั้น พอตายปุ๊บเนี่ยตามธรรมเนียมของพระเนี่ยพอพระตายเนี่ยทรัพย์สมบัติทั้งหมดส่วนตัวของพระองค์นั้ น, นจะตกเป็นของสงฆ์สงฆ์จะเอาไปแบ่งกันได้นะคนที่เอาบาทไปคนที่เอาจีบอไปคนที่เอารัตประคตไปอะไรเงี้ยแบ่งกันนะใครจะเอาอะไรก็แบ่งท่านมีลำดับด้วยพวกพระอุปถาก็ได้ก่อนนะพวกที่คอยดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรได้ก่อนนะพวกห่างๆออกไปก็ได้ทีหลังเพาของมันน้อย ในพวกพระก็จะเอาจีวร อ, อันงดงามเนี่ยไปแบ่งกันปรากฏว่าพระองค์ที่ตายนะไปหวงจีวรมากเลยไปเกิดเป็นตัวเรนตัวไรหลวงพ่อก็ไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าตามันเป็นยังไงใครรู้จักตัวเรนบ้างมองไม่เห็นต้องเอาเรนไปส่องมันถึงจะเห็นนะมันไปเกิดเป็นสัตว์มแมลงเล็กๆเนี่ยอยู่ในผ้าแล้วมันก็วิ่งนะวิ่งไปวิ่งมาในผ้าเนี่ย ตะโกนอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าเอาของกูไปอย่าเอาของกูไปเสียงของมันตะโกนเนี่ยพระทั้งหลายไม่ได้ยินเตรียมจะเอาผ้าไปแบ่งกันนะเตรียมจะเอาไปทําอย่างน้อนอย่างนี้กันพระพุทธเจ้าได้ยินท่านก็สั่งพาะนนท์ไปบอกพวกพระว่าอย่าเพิ่งไปแตะต้องสมบัติของพราองนี้นะนี่จีบอเนี่ห้ามแตะเลยเก็บไว้อย่างเดิมเลยอีกเจ็ดวันค่อยเอาไปแบ่งกันทําไมต้องเจ็ดวัน ไอ้มแมลงตัวเนี้มันมีอายุแค่เจ็ดวันแหละมันจะตายะเนี้ยพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะพอเจ็ดวันแะแกก็ตายเสร็จก็เกิดไม่หวงจีวร น, นะไม่เกิดมาเกิดซ้ำอีก<ม>ข้าก็ได้เอาจีวรไปแบ่งกันได้เนี่ยขณะจิตสุดท้ายเทะเวลาตายนะตายด้วยโลภะแล้วก็มาเกิดเป็นสัตว์ที่มาเฝ้าอยู่มีพระองค์หนึ่งเล่าให้หลวงพ่อฟังแต่บอกไม่ได้ว่าองค์ไหน สมัยยังเป็นขาวาตนั่งรถไปเชียงรายผ่านป่าไปนะมีป่ามีภูเขาสมัยส0มปีก่อนนะภูเขายัางต้นไม้ก็ยังมีอยู่ข้างทางก็เต็มไปด้วยต้นไม้ดูไปดูไปนะ <c oughs> เห็นเปลดเปลดนี่ไม่ใช่เปลดกระจกนะเปลตพระพระหน้าตายแล้วเป็นเปรตแล้วเป็นเปลตที่งดงามนะเป็นพระที่ผ่องใสงดงามมากเลยตัวใหญ่ สูงเป็นภูเขาเลยนะเดินอยู่ในป่าออกจากป่าไม่ได้นะในตำราในคำฟีของเราเนี่ยพูดถึงเปรตพระด้วยนะเพราะฉะนั้นพระเป็นเปลตก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนี่เปรตพระเนี่ยเดินทําไมงดงามทําไมฟองใสเนี่ยเขาบอกว่าที่ฟองใสเนี่ยนะเพราะรักษาศีลดีเพอรักษาศีนีนะนน่จะทําให้สวยงามนะขนาดเป็นเปลตก็เป็นเปลตที่สวยงาม แต่ว่าท่านเนี่ยหลงป่าแล้วอดอาหารตอนที่จะมรณภาพเนี่ยนะมรณภาพด้วยใจที่กระวนกระวายถึงอาหารแค่นี้เองอะ่ะนะภาวนามาแทบแย่เลยนะขณะสุดท้ายเนี่ยใจคิดถึงอาหารเท่านั้นเองก็ไปเป็นเปรตพระนะเป็นเปรตที่สวยงามนี่กรรมมันให้ผลนะกรรมที่มีโลภะในขณะสุดท้ายของจิตนะก็ทําทให้ไปเป็นเปรต แต่ว่าศีลที่เคยสะสมอบรมมาทำให้งดงามอย่างนี้ก็มีนะเนี่ยพลาดนิดเดียวก็ไปอบายได้นะพานนก็เคยนะเคยทำบุญนานมานะมากแล้วตั้งสมัยพุทธเจ้าก่อนๆทำบุญเสร็จแล้วก็อธิษฐานเกิดชาติไหนก็ขอให้รูปงามปรากฏว่าชาติต่อมานี่งามมากเลยนะเป็นชู้กรบชาวบ้านเข้าไปทั่วเลยตกนรกนะพอขึ้นจากนรกก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานมาเป็นบัว เป็นวัวรูปหลอ่อนะเพราะว่าอธิษฐานไว้ตอนตกนรกคงเป็นสันนรกรูปหล่ออีกแหละกรรมมันเอียงให้ผลไปเรื่อยๆนะกรรมยังมีเยอะนะเป็นวัวรูปหลอ่อแล้วก็เดินไปไหนเนี่ยวัวตัวเมียจะวิ่งตามเจ้าของเขาลขาคาญนะเขาจับตอนเลยแต่เป็นวัวถูกตอนเป็นเศษกรรมที่ว่าเป็นชูกับเขานะเนี่ยกรรมมันให้ผลอย่างนี้นะเพราะฉะนันพวกเราต้องระมัดระวัง พวกเราถ้ารู้ถ้าเห็นเนี่ยจะรู้ว่ามันไม่ใช่นิทานหลอกเด็กถ้าภาวนาเราไม่มีตาไม่มีหูอะไรนะก็ฟังไว้ก่อนนะทําไมพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ทําไมครูบาอาจารย์เล่าสืบกันมาอย่างนี้มันต้องมีเหตุมีผลนะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะหลอกเด็กเป็นธรรมะที่ซื่อๆตรงๆนะบอกตรงๆนะไม่ใช่ต้องตีความเป็นปรัชญาปรัชญาอย่างบางคนบอกหลวงปู่ดูล ส, สอนปรัชญาไม่ได้สอนปรัชญาสอนตรงๆนะธรรมะไม่ต้องตีความ เพั้นพวกเรานะตั้งใจนะมีสติคอยรู้เท่าทันใจของเราความชั่วใดๆผ่านเข้ามาในใจให้คอยรู้ทันไว้ถ้าเรารู้ทันกิเลสที่เข้ามาในใจเราจะไม่ทำผิดศีลเพราะเราจะเกิดทีรีโอตตาปะขึ้นมานะเราจะละอายเราจะละอายใจที่จะทำชั่วเราจะเกรงกลัวผลของการทำชั่วนะพอเรามีสติเราก็จะได้ทีรีโอตตาปะขึ้นมา พอมีฮิริอตตะปะขึ้นมาแล้วศีลก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมธรรมะมันเป็นเหตุเป็นผลเรามีสตินะรู้ทันใจของเราเรื่องกิเลสมาเรารู้ทันเราจะเกิดฮิริอตตะปะอัตโนมัติเมื่อมีฮิริอตตะปะแล้วศีลก็จะเกิดขึ้นนะเพราะเราจะไม่ทำผิดศีลเมื่อเรามีศีลแล้วเนี่ยใจเราจะมีความสงบสุขนะมีความสุขเกิดขึ้นเพราะการมีศีล ท, ทันทีที่เราคิดถึงศีลเราก็จะมีความสุข ใจก็จะสงบสมาธิก็จะเกิดขึ้นนะมีศีลเราก็มีความสุขนะมีความสุขก็มีสมาธิเพราะมีสมาธิแล้วเราก็มาเจริญปัญญาเห็นความจริงของกายของใจเรื่อยไปนะก็จะเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นไตรลักษณนะ์ก็นี่เรียกว่าปัญญาเพราะมีปัญญาก็จะมีวิมุตต์คือความหลุดพ้นใจก็จะไม่เข้าไปยึดถือในใกายในใจนี้เพราะกายใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษ ไกน่นี้ใจนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใจก็จะคลายความยึดถือพอใจคลายความยึดถือใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายที่ห่อพุ่มจิตใจนะจิตใจเป็นอิสระก็จะเกิดยานทัศนะเรื่องวิมุติยานทัศนะเราจะรู้แจ้งแทงตลอดพระนิพพานนิพพานเป็นธรรมที่มีอยู่แล้วนิพพานไม่ใช่ธรรมที่เกิดขึ้นสดๆดร้อนๆ้นนิพพานเป็นธรรมที่ไม่เกิดนิพพานเป็นธรรมที่ไม่ดับนิพพานเป็นธรรมที่เที่ยง นิพพานเป็นธรรมที่มีความสุขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แต่นิพพานเชี่ยงนิพพานเป็นสุขสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีเจ้าของนิพพานก็เป็นอนัตตาไม่มีใครครอบครองนิพพานได้แต่จิตที่เข้าไปสัมผัสกับนิพพานเนี่ยเข้าไปสัมผัสสิ่งซึ่งให้ความสุขอันมหาศาลนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากความอยากพ้นจากตัณหาใจไม่มีตัณหาใจไม่หิวโหย นิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งใจไม่ดิน้นรนปรุงแต่งมีความสุขนะนิพพานนะไม่ยึดไม่ถือไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรใจไม่มีน้ําหนักนะถ้าใจอย่างเที่ยวยึดอะไรต่ออะไรใจก็หนักหนักขึ้นมานะใจของเราที่สัมผัสพระนิพพานจะมีความสุขมากใจกับพระนิพพานเป็นสภาวะรำคนละอันกันนะแต่ใจนั่นแหละเป็นผู้สัมผัสพระนิพพานเราไม่ได้เอาร่างกายไปสัมผัสพระนิพพานนะ สัมผัสได้ด้วยใจนิพานเป็นธรร ม, มารมณ์เป็นธรรมะที่รู้ด้วยใจนี่อาศัยใช่ไหมเพราะว่าเรามีสตินะเราก็มารู้ทันกิเลสเราก็จะมีฮีริโอตปะเกิดขึ้นอาศัยว่ามีฮีริโอตปะศีลอัตโนมัติของเราก็เกิดขึ้นเมื่อมีศีลเกิดขึ้นความสุขก็จะเกิดขึ้นเมื่อความสุขเกิดขึ้นสมาธิก็จะเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นนะก็ง่าย ที่ปัญญาคือการเห็นความจริงของรูปนามจะเกิดขึ้นเมื่อเห็นความจริงของรูปนามแล้วความหลุดพ้นก็จะเกิดขึ้นความรู้แจ้งแทงตลอดในพระนิพพานก็จะเกิดขึ้นเป็นลําดับลําดับจุดตั้งต้นนิดเดียวเองนะจากสตินี่เองงนั้นพวกเราพยายามฝึกสติให้มากสติที่ดีก็เรียกว่าสติปัฏฐานสติรู้กายสติรู้ใจเรียกว่าสติปัฏฐานร่างกายหายใจออกเรามีสติเรารู้เราเห็นร่างกายหายใจออก ร่างกายหายใจเข้าเรามีสติเรารู้เราเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนมีสติรู้เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายมีความสุขความทุกข์นะก็รู้ว่ามีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายนะใจก็เป็นคนดูอยู่ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่จิตนะสติระลึกรู้ทันใจตั้งมั่นก็จะเห็นสุขทุกข์หรือกุศลอกุศลทั้งหลายเกิดได้ดับได้สติเป็นตัวระลึกนะ ลนะใจเป็นผู้ตั้งมั่นเป็นคนดูปัญญาคือความเข้าใจก็จะเกิดขึ้นสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจปัญญาเป็นตัวเข้าใจนะสติเป็นตัวรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจว่านะสิ่งที่เกิดนั้นเป็นไตรลักษณ์ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะเนี่ยทุกอย่างในคำสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นเหตุเป็นผลไม่มีคำว่าบังเอิญเลยนะไม่มีคำว่าพลุก เพะันพวกเราต้องมาเจริญสติปัฏฐานให้มากคือมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ห้ามไปนั่งจ้องห้ามไปนั่งเฝ้านะคอยแค่คอยรู้สึกแค่คอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกเอานะห้ามจ้องนะถ้าจ้องเคลื่อนไหวก็จ้องใจจะแข็งแข็งใจแข็งแข็งทื่อๆเรื่องมันมีสมาธิที่ไม่ถูกต้อง สมาธิที่ถูกต้องนะใจจะเบาใจจะนุ่มนวลอ่อนโยนใจคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซุมไม่ทื่อเนี่ยใจต้องมีสมาธิถูกต้องนะ ะ, ะรัตติระลึกรู้เห็นจิตใจเคลื่อนไหวเห็นร่างกายเคลื่อนไหวปัญญาจะเกิดทันทีเลยว่าตัวที่เคลื่อนไหวนะเป็นของไม่เที่ยงตัวที่เคลื่อนไหวนะัเป็นตัวทุกตัวที่เคลื่อนไหวขึ้นมาทั้งหลายทั้งปวงนะั้นบังคับไม่ได้เกิดจากเหตุนะเนี่ยถ้าเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะในสุด วีมดก็จะเกิดขึ้นใจก็จะหลุดพ้นนะสร้างฝึกนะจากจุดเล็กๆจุดเล็กๆจุดเล็กๆ ก, ก็แค่มีสติรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆต่อไปก็จะเห็นความจริงของกายของใจได้นะถ้าเห็นความจริงของกายของใจได้เรียกว่ามีญาณที่ถูกต้องแนละมีปัญญาที่ถูกต้องรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนะถ้ารู้ระดับอริยสัจเนี่ยปัญญาที่รู้อริยสัจนะท่านยกย่องเรียกว่าวิชา ญาณก็เป็นเรื่องปัญญานะเป็นปัญญาพื้นๆญาณ น, นะปัญญาเนี่ยจะเป็นเห็นความเป็นไตรลักษณ์ล้วถ้าถึงระดับวิชาเนี่ยจะเห็นอริยสัจเป็นเรื่องของปัญญาทั้งสิ้นเลยจุดตั้งต้นเล็กๆนี่แหละน้ําหยดทีละหยดก็เต็มตุ่มเต็มถังน ะ, ะเราเจริญสติทีละขณะทีละขณะวันหนึ่งมันก็ต้องเต็มเหมือนกันแต่แต่าระวังตุ่มรั่วนะโอ่งรั่วตุ่มรั่วนะน้ำหยดหยดนั้น น้ำหยดๆนะใจหนีตลอดนะเดี๋ยวก็หายไม่เต็มถ้าพวกเราขยันดูขยันดูนะคอยรักษาจิตใจของเราด้วยสติไปเรื่อยไม่นานหรอกเจ็วันเะจ็ดเดือนเจดปีต้องได้ธรรมะนะโสดาสัคตคาไม่เหลือวิสัยหรอกที่ฆราวาสจะทำนะอนาคายากหน่อยเพราะราวาสเนี่ยจมอยู่ในกามนะจะไม่ค่อยเห็นทุกข์เห็นโทษของกามหรอกนะจะเห็นว่ากามเป็นของอเด็อร่อย นะไม่เห็นทุกเห็นโทษแต่ถ้าเป็นนักบวชนะเวลาการมาราคะเกิดนี่มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยเห็นทุกข์เห็นโทษง่ายง่ายคาดวนะขั้นต้นๆนีน่ทำได้ไม่ยากนักหรอกสมัยพุทธกาลเขาก็ได้กันเยอะแยะนะวันนี้เอาเท่านี้ก็พอให้สมกับปีใหม่นะทั้งเทศให้มันซับซึ้งถึงอกถึงใจหน่อย <c oughs> อมีใครจะถามไหม กาศแลมรสกาศหลวงพ่อจไงวันนี้ขอโอกาสส่งที่นี่เจ้ค่ะส่งไม่ออกจ้าค่ะหลวงพ่อเห็นแต่อัตตาเปไปหมอัตตาไม่มีจริงหรอกมีแต่ความสำคัญมั่นหมายเจ้ค่ะเราดูไปเร้่อสินะเจ็บป่วยหรือตกล้มขาหักเจ้าค่ะหลวงพ่อนี่ขาไม่เที่ยงดูไปหน้าร่างกายเนี่ยเป็นดอกไม้ขอถวายพระ ทำใจอย่างนี้นะอสมาธิมันจะเกิดการหกล้มโยงก็เห็นว่าออคือจิตก็จะเด้งออกมาเลยนะคะแล้วก็อจิตจะออกจากร่างเลยรู้สึกไม่ค่อยกลัวคือไม่กลัวตายนะคะคุณทิดาเห็นไหมเวลาล้มแล้วสติเราเกิดนะเราเห็นร่างกายเนี่ยล้มเป็นช็อตๆเลยค่ะเห็นเนี่ยกลิ้งลมล้มล้มลมไปหัวจะโขกแล้วหลบซะหน่อยอย่างเงี้ยเอ เนยพอสติอัตโนมัติมันเกิดนะเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาไม่ค่อยร้ายแรงมากหรอก จ, <น>ะจะเห็นว่าจิตกับกายแยกออกจากกัน ท, ทันทีต้องอย่างนั้ น, ลน <ะ S 1> เลยมันจะแยกอัตโนมัตินะน่าผลจากการที่เราฝึกสมมุติว่ามันต้องตายจริงๆเนะ่ร่างกายมันตายนึกออกไหมจิตเราเป็นแค่คนดูร่างกายต่างหากเป็นคนตายเราไม่เกี่ยวนะฝึกไปเรื่อยๆนะดีแล้วล่ะ ทีนี้โยมมีเวลาว่างเยอะอ น, นะคะโยมก็เลยทําสมาธิถ้าถูกแล้วนี่ทีนี้สมาธิที่โยมทํำมาค่ะหลวงพ่อเอขณะที่ทําสมาธิมันจะมีสามสภาวะเลยค่ะมีอรรถโมรูมีรัก น, นูแล้วก็มีมิจฉาสมาธิเออได้ถ้าลงรู้แยกแยกออกนะเขาใช้ได้แล้วละ่ะส่วนใหญ่ก็จะทําแต่มิจฉาสมาธินะ <c oughs> แล้วก็คือยอมจะพุ่งสร้างนะคะแล้วก็จะดูรู้หลงอย่างที่หลวงพ่อสอนนะคะพอรู้หลงจนความพุ้งสร้างมันสงบไปเนี่ยค่ะเมืนจิตเขาก็จะเริ่มนิ่งๆแล้วทุกครั้งที่จิตนิ่งเนี่ยยอมรู้สึกตัวอยู่นะคะอต่มันจะเหมือนกับว่าเข้าสู่อาการเคลิ้มอันนั้นจิตจิตมันรวมลงไปนะค่ะให้มันมันลงไปพักไม่เป็นไรให้ลงไปพักเหรอเจ้าค่ะมันจะรู้สึกว่าจิตเคลื่อนด้วยจะต่ อ๋อถ้าเคลื่อนให้รู้ว่าเคลื่อนนะมันจะเคลิ้มอยู่ที่โดยไม่เคลื่อนอยู่ที่ฐานนี่เองแล้วจิตรวมลงไปนะงถ้าจิตเคลื่อนให้รู้ว่าเคลื่อนเพราะมันจะไม่เคลื่อนถ้าไปเคลิอมอยู่ข้างนอกไม่ดีก็นะ ค, ควรจะเริกทำหรือทำต่อไปเจ่ททำต่อไปนะทำอย่างที่ทำนี่แหละทำถูกแล้วล่ะสติเร็วกว่าเก่าตั้งเยอะเลยรู้สึกไหมใช้ได้นะ สังเกตไหมใจเรามันโปร่งโล่งเบาใจเรามันสว่างอันนี้เห็นไหมเห็นเจ้าค่ะเออนะงั้นเจ็บป่วยครั้งนี้ไม่ขาดทุนหรอกคุนที่ได้กำไรเจ้าค่ะกำไรนะแต่อย่าป่วยบ่อยนะเดี๋ยวกำไรมากไปเนียกกำไรเกินควรแค่นี้พอแล้วเจ้าค่ะเอาน่แค่นี้พอนะแต่ว่าภาวนายังไม่พอแล้วจ้าค่ะเราจะเพียนต่อไปต้องทําอีกดีแล้วล่ะเป็นพุทธบูชาแล้วถวายหลวงพ่อเป็นอจริยะบูชาสาธุ อา้าต่อไปกาบธรรมสการ์หลวงพ่อก็จะมากาบของกันบ้านคําชี้แนะของหลวงพ่อค่ะเคยได้รับกันบ้านไปบ้างไห ม, มยังค่ะสังเกตรหรือเปล่าว่าใจเราเดี๋ยวนี้กับ แ, แต่ก่อนเนี้ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนเดิเนะแสดง ว, ว่าฟังซีดีมาแล้วล่ะฟังทุกวันะนะฟังมานานพอสมควรแล้วไหมฟังแล้วหันแยกขันไปเรื่อยๆนะ แล้วก็รู้ทันกิเลสนานาชนิดในใจเราไว้นะอย่างมันมีความยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นอะไรเงี้ยนะถ้ามันแรงขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็รู้ทันมันนะนะแล้วชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเมื่อวัน เ, เดือนพฤษภาตวที่ไปส่งนันบ้านกับพี่มารีที่บ้านจิตสบายค่ะแล้วก็พี่เขาบอกว่าให้หันเดินจงกรมค่ะซึ่งหนูก็ไม่เคยเดินในลักษณะรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดู กลับบ้านลงทำนะคะแล้วทำอยู่ทำวันแรกคะเห็นจิตมัอนออมเคลื่อนออกเคลื่อนออกตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะทําอยู่สองวันแล้วก็เอวันที่สองก็เดินไปเจ้าจะเคลื่อนออกเคลื่อนออกแล้วพอนั่งลงเงี้ยบางทีหนูจะเดูกายโดยสันสัศีรษะอย่างเงี้ยค่ะพอนั่งลงแล้วสันสศีรษะแล้วมองทะลุลงไปแบบมันไม่มีจิตอยู่ในนั้นนะคะ แล้วรู้ตัวสือจิตมันอยู่ข้างหลังเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็ตอนนั้นจะจะตกใจกลัวแล้วมันก็กหลุดไปเลยไม่ได้เห็นอะไรแต่ต ก, กลัวมากก็คือก็ให้รู้ทันใจที่กลัวนะใจมันฟุ้งซะก่อนนะแล้วทำไมเอ่อมันมันไม่เคยเดินมาก่อนนะคะแล้วทำไมมันมันถึงได้ได้เห็นแต่แต่ณวันเนี้คือไม่ได้เห็นอย่างนั้นต่อไปแล้วค่ะคะุณพ่ออืมสแสดงว่าที่ทํามานะมนก็มีผลที่ดีขึ้นนะ แล้วเวลาที่ที่เดินจงกรมอ่ะเวลาที่จิตเคลื่อนไปคือจิตจะตั้งมั่นใช่ไหมคะหลวงพ่อ <net> ช่ <net> แล้วถ้าเกิดเอจิตที่ไม่เคลื่อนออกไปนี่เป็นสมถะ น, นี่ตรงนั้นนี่จิตถึงฐานเหรอคะถ้าเราเล่งอยู่นิง่งๆนะไม่ใช่จิตถึงฐานที่แท้จริงมันจิตยังโดนบังคับอยู่ <net> มันต้องไม่เคลื่อนของมันเองมันไม่เคลื่อนเพราะมันรู้ทันเวลามันเคลื่อนปุ๊บรู้ก็จะตั้งมั่นออกไปขอากาบเลิกสตางหลวงพ่อครับ อของผมปฏิบัติผมเดินจงกรมนะครับแล้วก็ช่วงที่เดินช่วงแรกมัยก็จะคุ้งแล้วก็สักพักมันก็ง่วงอืง่วงแบบเดินนี้หลับเตะโ่่นเตะนี่หัวไปโกกฝาประจําอืำก็พยายามทนอยู่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มันไปเห็นจุดที่มันกําลังจะเข้าความง่วงนะแล้วหลังจากนั้นมันจะความง่วงก็จะควนไม่ได้เออทีนี้นก็ ปฏิบัติต่อก็จะมีความฟูงเหมือนเดิมแล้วก็จะเห็นว่าสัญญาสังขารมันเริ่มทํางานแต่ก็จะดึงกลับมาที่ฐามตลอดครับก็ลองพยายามแล้วก็ตั้งจิตตอนนี้ก็เลยขออนุญาตมาตั้งจิตอธิษถามต่อนหน้าหลวงพ่อว่าจะขออ่าไม่ถอยอ <c oughs> อะไรนะจะขอปฏิบัติแบบไม่ถอยอีกครั้งหนึ่งนะครับปัจจัจิตมันค่อนข้างจะอ่อนแอแล้วก็ขี้ขาดไปหน่อย ก็ไลยไหว้ขอจิตให้มันมีความตั้งมั่นแล้วก็ศรัทธาสูงขึ้นมาเพื่อปฏิบัติให้ดีที่สุดเรากขอการบ้างขอหงพ่อด้ครับฝึกที่ฝึกอยู่นะมันดีนะขันมันก็แยกแล้วนะเห็นไหมขันแต่ละขันไม่ใช่ตัวเรานะเนี่ยเราถ้าดูซ้ําแล้วซ้ํำอีกนะเป็นวันหนึ่งจิตมันยอมรับตัวเราไม่มีหรอกภาวนาถูกแล้วล่ะภาวนาดีแล้วแต่จิตต้องถึงฐานนะ ตอนนี้ไม่ถึงครับตอนนี้ออกนอกแล้วครับแต่เนี้ออกนอกจากธรรมศาสตการก็ผ่านหลวงพ่อรูปนั่งสมาธิทุกเช้านะคะแล้วจะเกิดแสงแล้วก็ตั้งมั่นแล้วก็คิดแล้วก็เป็นตั้งมั่นแสงสลักไปมาค่ะอันนี้รูปควรปรับปรุงหรือว่าถ้าแสงนะแล้วจิตมันเคลื่อนไปเรารู้ทันนะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมา ตั้งแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเพรั้นตัวที่การรู้ทันจิตนะใช้จิตเป็นหลักไหมนั้นอย่างถ้าแสงสว่างเกิดขึ้นเราไม่ไปดูที่แสงหรอกเรารู้ว่าจิตเราไหลไปอยู่กับแสงนะถ้าความคิดเกิดขึ้นนะเราไม่ไปดูเรื่องราวที่คิดเรารู้ทันว่าจิตไหลไปสู่โลกของความคิดถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตจะได้สมาธิที่แข็งแรงนะสมาธิที่ถูกต้องคือพอสมมติว่า กลับมาที่ตั้งมั่นนะคะเขาก็จะเกิดแสงเป็นดวงขึ้นอย่างนี้ค่ะเป็นนิมิตนะเป็นนิมิตเพราะงั้นนิมิตใดๆปรากฏไม่สําคัญหรอกนิมิตใดปรากฏเนี่ยให้รู้ทันที่จิตเช่นจิตยินดีในนิมิตรู้ว่ายินดีจิตสงสัยว่าจะทําอะไรต่อรู้ว่าสงสัยให้รู้เท่าทันจิตไปค่ะเ อ, อลูกเห็นจิตไหลไปคิดบ่อยมากค่ะตั้งมั่นสนับคิดตลอดเวลาดีอย่างนั้นน่ะดี เห็นความคิดปรุงความอยากความไม่พอใจความซากซึง้งแล้วก็เสียใจพอสติเห็นจิตตั้งมั่นสภาวะก็ดับค่ะเออนนี้ลูกขอถามว่าถ้าลูกเห็นคิดสลับตั้งมั่นบ่อยมากอย่างเงี้ยเจ้ค่ะอันนี้คือเห็นเกิดดับหรือว่าฟุ้งซ่านนะ้าค่ะเป็นเกิดดับถ้าฟุ้งซ่านเนี่ยจิตจะไหลไปคิดแล้วเราไม่รู้ทันออถ้าเรารู้ทันเนี่ยเรียกว่าเราจเจริญปัญญาอยู่เห็นความเกิดดับ ประมาณเดินครึ่งเจ้าค่ะหลวงพ่อให้ลูกดูกตายลูกเห็นการกระทาเกิดจากความอยากตลอดเวลา ม, มีอยู่วันหนึ่งจิตเขาแยกกันพูดนะคะเออเหมือนว่าเขาอยากให้เราทำนู่นทำนี่ค่ะพอเห็นความอยากตลอดเวลาแล้วก็ทุกข์มากเจ้าค่ะก็คิดว่ากิเลส ก, กำลังบดบางไม่ให้เห็นกายใจลูกก็เลยมองไปที่ใจจิตตั้งมั่นความทุกข์กำลังมอดดับ ความสุขก็เกิดขึ้นอย่างบอกไม่ถูกเจ้าค่ะ อ, อันนี้ลูกเคยเกิดครั้งนี้เอ่อคราวที่แล้วเกิดเป็นการแต่ครั้งนี้เกิดความสุขมากเจ้าค่ะเผชิความสุขก็รู้นะพอใจในความสุขก็รู้อีกต้องทำอีกยัยงไม่พอนะทำอีกขก่าการเปมัดการหลวงพ่อครับผมส่งกันบ้านเมื่อหกเดือนที่แล้วครับก็สิ่งที่ส่งก็ไม่มีอะไรมากนอกจากว่าที่ผมปฏิบัติมารู้สึกว่าการ ปฏิบัติมันดีขึ้นบ้างรดแย่ลงบ้างเป็นดีขึ้นแย่ลงสองประมาณสองรอบครับบางช่วงก็สติไม่ค่อยเกิดบางช่วงก็สติเกิดบ่อยอบางช่วงก็ค่อนข้างจะเดินปัญญาครับแต่ว่าในการเดินปัญญาเนี่ยมันจะเหมือนเราต้องมีเหตุว่าผมฟังตีหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อพูดสกิดเรื่องการจริญปัญญาปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบมันเดินได้ห ม, มุนหมุนมุนมุนได้สักช่วงหนึ่งเสร็จมันก็จะเป็นสติอ่ะสติเกิดบ่อยแล้วก็บางทีก็สติไม่ค่อยเกิดอย่างเงี้ยครับ ถูกแล้วแหละเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละนักปฏิบัตินะเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วเสื่อมในที่สุดเราก็รู้ความจริงเราไม่ได้ภาอนาเอาเจริญหรอกเพราะเจริญไม่เที่ย ง, ยงแล้วภาเจาจนใจยอมรับความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบังคับไม่ได้ก่อนก่อนหน้านี้ผมก็ค่อนข้างจะดิ้นเหมือนกันนะครับว่ามันอยากให้มันอยู่แต่ว่าพอมันเจอบ่ๆๆเข้ามันก็ไม่ค่อยจะแบบทุกข์เท่าไหร่เวลาที่มัน สติมัน่อยเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วช่วงที่เดินปรญญายนี่ยนะคือผมก็ดูความดูสภาวะที่มันเกิดขึ้นอะไรหายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับพราะตอนนั้นมันจะรู้สึกอยี้จริงๆแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่อยู่มันก็รู้สึกโงงๆโงๆแต่ผมก็ไม่ทันนึกอะไรแล้วแบมันเกิดมาสักสองสวันแผมก็ไม่นึกได้เอ๊ะหรือว่ามันเป็นสภาวะที่หลวงพ่อเคยพูดหรือเปล่านะแต่ว่าก็มันมันก็เกิดอีกสองวันแล้วก็หายไปมันก็ก็ไม่เที่ยงก็ช่านมันก็ถูกแล้วล่ะ จ, จ, จิตใจต้องฝึกให้จิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวนะถ้าใจเราภาวนาไปช่วงหนึ่งบางทีมีความสุขเยอะเลยแล้วใจจะกว้างๆออกไปถ้าใจกว้างๆให้ย้อนมาดูกายดูใจนะของผมถ้ามันก็จะมีช่วงไหนที่แบบว่าไปดูทีวีเยอะก็สติก็จะเกิดน้อยลงเนี่ยครับแล้วก็ผมมีอะไรที่จะต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมตรงไหนบ้างเรา ดูทีวีแล้วสติไม่เกิดเหรอเราก็อย่าไปดูมันมากพระแท้เจ้าก็สอนนะให้สำรวมอินทรีย์อินทะรีย์เราอย่าไม่กล้าแข่งแล้วก็สำรวมกันดูมากก็เท่านั้นแหละดูเท่าที่จำเป็นขอคำแนะนำเพิ่มเติมครับอยู่ที่ความมีวินัยของเรานะแล้วทำให้สม่ำเสมอแล้วก็ไมัก็ไปของมันได้และนี่ทํำอยู่ก็ใช้ได้ล้วนมาส ก, กายครับหลวงพอ่อเอ่า รู้สึกว่าจิตมันกระจายออกไปน้อยกว่าสองครั้งแรกที่เคยดึงครับดึงมันเข้ามามากขึ้นแต่ออก็ยังไม่ถึงฐานี้จริงใช่ใช่เราไม่ดึงนะมันจะเข้ามาเองของคนใจมันจะกระจายนะเหมือนต้องให้เข้าบ้านย้อนมาดูกายย้อนมาดูยังไม่ได้จะมีแต่ความสุขครับแล้วครั้งที่แล้วหลวงพ่อชี้ให้ดูสภาวะที่ดึงนะครับกลับไปทําก็เห็นอาการดึงบางครั้งมันก็เป็นการคว้าแรงๆเออ ก็เห็นได้ดีขึ้นนะครับผม ม, มันก็เบาลงแต่ก็ยังมีอยู่บ้างนะครับแล้วผมสงสัยนิดนึงนะครับผมในเวลาทําในรูปแบบนะครับคือว่าถ้าครั้งแรกเนี่ยผมเคยส่งว่าตอนทํำในรูปแบบต้องไปเห็นหมุนหมุนอยู่ตรงกลางออกนะครับแล้วพอทําไปอีกระยะหนึ่งเพราะมันไม่ค่อยอยากเนี่ยมันจะเข้าไปเห็นอีกแต่ว่ามันจะเป็นเห็นรูปแบบอื่นนะเนี่ยมันก็เหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันไม่จำเป็นว่าต้องให้มปรุงแบบเไม่ไม่ต้องมันปรุงได้สารพัดเลย เข้าใจถูกแล้วใช่ไหมครับถูกที่ทำอยู่นี่ถูกเป๊ะเลยนะอยู่ที่ว่าทำให้มากพอเท่านั้นแหละหมายถึงเวลานะหมายถึงจานวนวันเดือนปีที่จะทำต่อไปเนี้ยถ้ามันมากพอมันก็จะผ่านไปได้ไม่ใช่รีบร้อนรูกรีรูกร่นนะมันจะไม่ผ่านหรอกรู้สึกว่าฝึกมาประมาณสองปีกว่านะครับรู้สึกว่าศรัทธา ม, มากขึ้นแล้ว มันทําให้ขยันมากขึ้นนะครับโดยที่ความอยากที่จะได้ผลเนี่ยมันลดลงกว่าตอนถัหม่เยอะเลยครับดแต่ก็ยังมีความยากที่จะได้อยู่ทําไปนะทําไปจะได้ของดีแล้วอย่างเวลาในชีวิตประจําวันนะครับถ้าสมมุติว่าผมเห็นว่ามันหลงแล้วมีสติเกิดปุ๊บผมเห็นจิตมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วพอขณะถัดไปนี่มันเป็นการคิดมันสามขณะเนี่ยจิตไม่เหมือนกันเลยอันนี้ถูกต้องใช่ไหมถูกต้องละ แต่ละขนาดแต่ละขะนาดนก็เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยตอนที่หลงคิดกับตอนที่ตั้งใจคิดเนี่ยจิตก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่อธิบายไม่ถูกว่าต่างก<ม>ันเออไม่ต้องอธิบายนะถ <นะ S 2> ้าคนเขาภาวนาเขาฟังปุ๊บเขาก็รู้คนไม่ภาวนานะอธิบายไงมันก็ไม่รู้เ <c oughs> มืันเราไม่จําเป็นต้องพูดหรอกครับแล้วเรื่องสมถานิดนึงนะครับคือว่าครั้งที่เรหลวงพ่อแนะนําให้ไปดูกระดูกพอกลับไปก็ไปดูครับเห็นว่า คือทีแรกจะงงว่าไม่รู้ว่าจะดูยังไงนะครับก็เลยไปคิดถึงกระดูกในร่างกายเริ่มที่กระโหลกก่อนใช่แล้วพอเริ่มปุ๊บมันก็เหมือนกับมีอย่างหนึ่งลดลงมาแบบปื๊บอะไงยครับแล้วรู้สึกว่าตัวเนี้ยคือราคา้ารู้สึกว่ามันขมราคาได้ใชแต่ว่ามันทําได้อยู่พักเดียวอะครับแล้วใจมันก็ไม่เอาคือพยายามคิดถึงกระดูกมันก็ไม่เอามันหนีมันรู้ลมอะครับผมอืก็เอาลมไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นคงจะราค้าแรงมั้งหลวงพเลยให้ไปดูกระดูกครับ ตอนนี้จิตมันละเอียดขึ้นมาแล้วเราก็ดูลมไปก็ทำต่อไปใช่ไหมครับทำนะต้องทำอีกอย่าเลิกนะเลิกแล้วโง่เจ็ดชั่วโคตรเลยนะครับจะปฏบิบัติบูชาไปตลอดชีวิตครับผมสาธุนะชอบมากเลยเลือกสิทธิปฏิบัติน่ามาสักการของพ่อฟังซีดีของพ่อมาเมื่อตอนต้นปีอะค่ะแล้วก็ภายในสามเดือนแรกหลวงปก็เห็นขันแยกออกไปเป็นเป็นจริง เป็นจิตที่ดูแล้วก็สงบแล้วก็กายจิตก็อยู่อีกส่วนหนึ่งแล้วหนูก็เห็นความหุดหงิดนะคะแล้วหุดหงิดก็ไหลผ่านไปโดยมันย้อนมาว่ามันเห็นตากระทบก่อนนะแล้วก็มีความคิดมัาต้องหุดหงิดแล้วก็หลังไปอย่างเงี้ยค่ะเป็นแม่ที่หลวงพ่อเทศเมื่อคิดเนี่ยนะมันต้องคิดก่อนนะมันถึงจะโกรธได้ใช่ค่ะแล้วคราวนี้มีสภาวะหนึ่งที่หนูเห็นแล้วหนูสงสัยอะค่ะว่าเออเป็นชีวิตปกติ ประจำวันเนี่แหละค่ะพอหนูเดินเดินอยู่แล้วรู้สึกว่าเหมือนกายไม่มีหนูก็เฉยๆไปแล้วก็คราวนี้ใจหนูอะค่ะมันมันมันส่งมองออกไปอย่างเนี้ยค่ะเหมืพ่อมันเป็นมันกลืนเป็นอันเดียวกันกับธรรมชาติอะค่ะอืมเรารู้สึกอย่างนั้นเป็นครั้ ง, ค ร, งคราวอย่าจงใจให้เป็นนะอย่าจงใจไปอยู่กับความที่กลืนเข้ากับธรรมชาตินะถ้าเราจงใจไปทําให้มันกลืนเนี่ยเราคล้ายๆเราไปทําฝนไม่ได้ทําเหตุ มันเป็นเพราะอะไรอะคะมันเกิดขึ้นเองอะค่ะมันมีปัญญาขึ้นมานะมันเพิ่มเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วกายนี้ใจนี้กับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เนี่ยเป็นอันเดียวกันใช่ค่ะแต่ว่าห้ามไปทรงอยู่นีกลัวค่ะหลวงพ่อมันไปไกลแล้วหนูกลัวว่าตัวเราตัวเรามันหายเออตัวมันจะหายบางคนชอบนะหลวงพ่อเองแหละตอนเป็นโยบนะภาวนาไปอ่านหนังสือเซนนี่แหละดีนักแหละก็อ่านไปอ่านไปโอ้ว่างไปหมดเลย แล้วก็ทําเลยคราวนี้คัพเป้แบบจิตอย่างนี้ไว้เลยนะนึกว่าจะดีไม่ได้เรื่องหรอกมันเป็นของปลอมไม่ดีใช่ไหมคะไม่ดีไอ้ที่เห็นนี่ถูกแล้วดีที่เห็นแต่ถ้าไปทําแบบนั้นไม่ดีเลยนะเป็นการทำผลไม่ใช่ทาเหตุะนะเราต้องทําเหตุนะมีสติรู้กายรูร้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางทําเหตุตัวนี้แนะต่ไปใจเรากับโลกธาตุนี่จะกลืนในอันเดียวกันแต่ว่ามันกลืนแปลกนะ มันกลื่นแล้วมันไม่ไม่กระทบกันด้วยมันไม่ใช่กลื่นแล้วก็ไปค้างค้างคาค า, าแบบที่ไปรู้สึกตอนนั้นหรอกอ ม, มันคนละแบบกันไม่เหมือนกันทีเดียวหรอกคล้ายๆเนี่ยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านสอนบอกว่าผู้รู้ไม่ใช่นิพพานนะว่าฝากผู้รู้ไปจนไม่มีที่กําหนดหมายถ้าหมายอยู่ก็พอเหมือนๆเพราะฉะั้นอย่างสภาวะเนี่ยถ้าเราไปกําหนดหมายไว้นะก็พอเหมือนๆไม่ใช่ของจริงหรอก รู้ใจต่อไปใช่ให้หลวงพ่อแนะนำอะไรก็ได้ให้หนูค่ะฮะแนะนําอะไรก็ได้อ่ะค่ะอย่าอย่าอย่าท้อถอยนะอย่าขี้กลัวกลัวนั่นแหละขี้กลัวเยอะไปกลัวอะไรกลัวความจริงความจริงอะไรที่กลัวมากเลยตัวเราไม่มีใช่ค่ะตอนแรกฟังซีดีหลวงพ่อก็แบบดีใจที่แบบได้ยินว่าตัวเราไม่มีนะพอตอนไปเห็นนั้นๆแล้วมึงกลัวฟังแล้วแบบ เสียใจร้องไห้ออกมาเพราะตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีนะก็คือตัวทุกข์ไม่มีเพราจริงๆตัวเราไม่มีมีแต่ตัวทุกข์นี่เราไปหวงแหนตัวทุกข์แล้วว่าเป็นตัวเราคันวัต ร, รุการของพ่อครับผมส่งกันบ้างครั้งแรกครับหลวงพ่อครับจากที่ไปเรียนจากซีดีมานะครับพอดีผมรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นปัญญาล้าหน้าครับ มันมีคำ ว, ว่าเดี๋ยวมันก็ตลอดนะครับโง่ไม่ได้ดังนั้นไปดักดักหน้าแล้วนะไปประมาณการ่าเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นีอย่างนั้นไม่ร้างกิเลสหรอกดูลงปัจจุบันไปรู้ว่าใจฟุ้งซ่านไปสู่อนาคตรู้ทันตัวนี้เลยนะว่าใจมันฟุ้งไปอนาคตแนละ้วให้รู้ทันเอาแต่ว่าการดักในรูปแบบนี้ผมไม่ทิ้ง การปฏิบัติในรูปแบบก็คือมันไม่ไม่ทิ้งใช่ไหมไม่ทิ้งสิต้องทำทาบ่อยๆนะทาไปเรื่อยแล้วก็เจริญสติเจริญปัญญาไปเจริญสติก็คือเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเจริญปัญญาปัญญาเรากเข้าใจใช่ไหมโอ้กายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมตัวเราจริงๆไม่มี มีแต่ขันห้ารูปธรรมนามธรรมนะเห็นอย่างนั้น ค, ครับการรางสการถันหลพ่อส่งกันบ้านในรอบหกปีนะคะก็ที่ภาวนาที่ผ่านมาเนี่ยหราก็เห็นกายกับใจมันแย่ ก, กันคือแต่เห็นแล้วก็ตกใจพอตกใจปับ๊บมันก็จะรวมกันทันทีนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก็คือโทรศัท์โทระะัท์จริตค่อนข้างแรง แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าที่ที่จะเจอได้มากๆเลยก็คือว่าอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าไปตรึกเราเอาไม่อยู่สติเหมือนกับว่ารู้แต่รู้แล้วก็ในขณะเดียวกันเราเห็นจิตในขณะเดียวกันที่ไม่ยอมรับไม่ยอมรับในสิ่งที่เรารู้อบางทีเนี่ยขอใช้คําว่าสะกดอคือเก็บกดพรอกดมากๆเนี่ยเอาไม่อยู่ต้องพูดออกมาบ้างแล้วก็แสดงกิริยาออกมา ซึ่งพอแสดงไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อเคยบอกว่าหนูเนี่ยเป็นคนขําควรก็เลยรู้ว่าไอ้สิ่งที่ขําควรเนี่ยมันคือโทสะล้วนเลยใช่แล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงทําไม่ได้รู้อย่างที่มันเป็นนะค่ะอย่าไม่ปฏิเสธสิ่งที่มันปรากฏหรอกเราเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละนะแต่แต่ว่ารู้ทันถ้ารู้ไม่ทันเราก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ดี แล้วก็ที่เห็นชัดเจนก็คือคําว่าที่หลวงพ่อบอกว่าคําว่าไม่เที่ยงตรงเนี้ยยอมรับว่าจิตยังไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้จักเห็นบังคับไม่ได้ไหมเช่นไม่อยากจะโกรธมันโกรธได้ค่ะเออถ้าเห็นอย่างนี้ก็ใช้ได้ไม่ต้องเห็นไม่เที่ยงหรอกเห็นอนัตตาไปเลยพวกที่ปัญญากล้ามันจะไม่ดูไม่เที่ยงหรอกมันจะไปดูอนัตตาแล้วหลวงพ่อว่าหนูต้องเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าคะไปทําอีกไม่ต้องเพิ่มอะไรนะ ทำไปเรื่อยๆพอนากันเก่งน่าดูนะแต่ละคนแต่ละคนแยกธาตุแยกขันธ์กันคล่องแคล่วเมื่อทีไปที่อื่นนะครูบาอาจารย์ท่านเห็นนั่นท่านรู้เลยว่าลูกสิทธิ์ไข่เมื่อก่อนนะแค่ว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยท่านก็ยังทึ่งเลยว่ามันตื่นกันเยอะแยะขนาดนี้โอ้เดี๋ยวนี้คําว่าตื่นเนี่ยล้าสมัยเฉยแหลกเดี๋ยวนี้ต้องแยกขันธ์ได้ ต่อไปแยกขันได้เฉยๆไม่เห็นใจรักของขันช่วยแหลงอีกนะปีหน้าเนี่ยมาตรฐานจะต้องเพิ่มอีกนะถัดๆไปอีกสองสามปีนะยังไม่ได้โสดานี่เชยรับไม่ได้ <c oughs> แยกขันได้ไหมขันแสดงใจรักเนี่ยเราเจริญปัญญาแล้วนะเจริญ ป, ปัญญาไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีมต้องได้อะไรบ้างคงไม่โง่ถาวรหรอกเพราะถาวรไม่มี การมาสการขนงพ่อสิ่งที่สงสัยเนี่ยที่หลวงพ่อเทศไปเนี่ยมันเข้าใจหมดเลยแล้วก็ไม่มีคำถามใจขนาดนี้ถึงฐานไหมใจตื่นเต้นกดไว้ดูออกไหมค่ะเออนะกดอยู่ให้รู้ทันตอนที่ไม่กดเนี่ยมันถึงฐานไหมหรือมันกระจายมันกระจายค่ะให้รู้ทันนะถ้าจิตกระจายต้องรู้นะแล้วไม่ดึงหรอกแค่รู้ว่ากระจายเขาจะเข้าบ้านเอง ของคุณก็หาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ไปจนะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้นะสักอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนไปรู้จิตเคลื่อนแลอรู้เราจะได้สมาธิที่ดีพอจิตใจมีสมาธิมากๆขันมัน ก, ก็กระจายทั้งวันเลยเห็นได้เรื่อยๆตอนนี้มันก็เริ่มกระจายบ้างแล้วล่ะจิตจะย้อมติดง่ายไนดะ้อยอมย้อมติดง่ายนะคะ่ะอืมแต่จะ<ไ>จะไม่เพลินไปในทางที่ไม่ดีเอค่ะ ต้องให้รู้ทันนะกุศนเกิดก็อย่ายให้ย้อมน ะ, ะต้องรู้ทันนะกุสนเกิดแล้วย้อมก็ไม่ดีกุศนเกิดแล้วถูกมันย้อมแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่ไปนะเกิดทางดีไปสุขติถ้าใจไม่มีอะไรย้อมได้ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ไม่ต้องเกิดอีกมีความสุขที่สุดเลยอ่ะต่อไปออมีมไหมไ ป, ไปทําเอานะที่หลวงพ่อบอกนี่ก็เยอะแล้วแล้วภาวนากันหลายปีเลย นมมพการเจ้าค่ะล่าสุดที่สง่งกันบ้านนะคะ่ะที่หนูบอกว่าตอนนั้นเห็นคิดว่ารู้ถึงใจแล้วหลวงพ่อยังมาแล้วก็จากนั้นพอดีหนูได้มีโอกาสไปอยู่วิเวกมากลับมาก่อนที่จะไปวิเวกรู้สึกว่ามันหลายตัวมันโดนถล่มอะคะ่ะหลวงพ่อมันฟุ้งมากมแล้วก็มันมีบางอย่างขึ้นอะไรก็ไม่รู้อะคะ่ะอืพอไปอยู่วิเวกแล้วกลับมาหนูรู้สึกว่าหนูเห็น ฟุ้งเห็นสุกแล้วมันเห็นมันเห็นชัดมากอ ม, มันมันถึงใจหรือยังคะอะไรนะมันมันมันเห็นเข้าถึงใจหรือยังใช่ได้ใช่ได้าแล้วแต่ของคุณเนี่ยโดยพื้นฐานของจิตเนี่ยนําจะฟุ้งซ่านง่ายนะเพราะงั้นจิตต้องมีบ้านอยู่ให้อยู่กับลมหายใจอยู่กับอะไรก็ได้นะอยู่สบายๆถ้าไม่ชอบก็เอาร่างกายก็ได้อะไรก็ได้ที่ให้มันมีเครื่องอยู่ประจําไว้อันหนึ่ง แต่ว่าเครื่องอยู่ไม่ใช่คุกนะหมายถึงมันมีทุ่ล่ามจะไปไหนก็ได้แต่พอไปแล้วก็รู้ทันว่าตอนนี้จิตลืมตัวเองไปแล้วมันก็กลับมาอยู่ที่บ้านเราเพาหนูเคยพยายามหลายครั้งว่าจะเอาพุทโธค่ะแต่รู้สึกว่ามันก็ไม่ไม่ถ้าไม่ใจไม่เอาก็ไม่เอาหนูจะเอาร่างกายนี่ยนะคะเหมือนว่าจะเคลื่อนอะไรก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ขนมากจะไม่เอาพุโทโธเวลารู้สึกร่างกายเคลื่อนไหว ใ, หใจเราเป็นคนดูที่สบายๆนะ ใจต้องไม่ล็อกให้นิ่งๆแล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจล็อกๆอย่างงี้ใช้ไม่ได้นะอืใจต้องโปร่งใจต้องสบายแล้วก็แต่ก่อนหนูเพิ่งใจผิดนะคะว่าการให้หนูนั่งหรืออะไรเนี่ยนั่งไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะม่วงด้วยร่างกายมันม่วงกับแต่คิดว่ารู้แล้วว่ามันไม่ใช่รู้แล้วมันเหมือนกับว่าคือเราอีกหนึ่อย่างหนึ่งเข้าใจว่าตัวเองมีปัญหาคือว่าหนึ่งตัวใหญ่คือเพ่งโพษมันจะเป็นอุปสรรค ด้วยใช่ไหมคะกับการเพ่งโทษเพ่งคนอื่นเหรอใช่แล้วบางตัวเองก็ช่างบางทีตัวเองทำก็จะตอบก็จะด่าว่าตัวเองกันอ๋อไม่ได้นะแล้วก็อีกตัวเนาะต้องมีเมตตานะเมตตากระทั่งกับตัวเองกับคนอื่นใช่ใช่ค่ะแล้วหนูก็แก้หนูก็ทำด้วยถ้าสมมติรูว่าเพ่งโทษปุหนูก็จะออกเลยไวเลยค่ะแต่จงใจออกมาเลยนะอถ้าไปดึงจงใจดึงเนี่ยใจจะแน่นไปนะ แต่แต่มันไม่แน่นะคะผมว่แต่รู้แล้วก็ออกเลยเออถ้ารู้แล้วมันออกได้อย่าไปแช่ค่ะมนมีอะไรที่ต้องได้เดินอยู่เลยคะไม่ไงเดินได้ดีขึ้นแล้วล่ะดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยแต่จุดอ่อนของหนูก็คือใจฟุ้งง่ายนะดงนั้นหากเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สซนแล้วจิตหนีไปเรารู้ไบร์ไบรเท่านั้นแหะค่ะแล้วหนูก็ตั้งใจแล้วว่าหนูจะไม่ตกตำด้วยกันเออดีต้องดีกว่านี้ต้องตั้งใจว่าต้องดีขึ้นอีก นะไม่ใช่แค่ไม่ตกต่ํานะ่ขอบคุณมากค่ะการนมัสการหลวงพ่อค่ะจะรู้เสึกว่าจิตจะนิ่งๆนะคะจิตอะไรนะจะนิ่งนะค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อเมตตาแนะนำด้วยจิตนิ่งดูกายร่างกายมันนิ่งไม่ได้เดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าดังนั้นอย่าให้จิตไปติดนิ่งเฉยนะถ้าติดจิตมันนิ่งดูจิตไม่ได้ดูกายเลย มีอะไรแนะนาอีกแก้ไขอะดูกายวไว้ค่ะนะถ้าจิตนิ่งก็ดูกายค่ะ่จิตเป็นเคลื่อนไหวได้แล้วก็ดูจิตได้ค่ะครับนค่ะครับเราส่งกันบ้านกันครบสิบสองท่านนะครับก็จะขอการเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลานะครับกล่าวคำถวายทาน ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจิจัยทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดครับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวราบสิ้นการและนานเทินเนื่องด้วยเดือนนี้เป็นเดือนที่อยุขัยหลวงพ่อครบ60ปีนะครับกับผมในนามของเหล่าลูกศิษย์ทางธรรมของหลวงพ่อ ขอโอกาสร่วมกันน้อมจิตกราบไว้พอรอขอให้หลวงพ่อมีธาตุขันแข็งแรงปราศจากโรคภัยใดๆเบียดเบียนเป็นประทีปสองทางแห่งธรรมให้แก่เราสิบ์ทั้งหลายนะครับเพื่อให้ได้สืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตราบนานเท่านา น, า น, านสืบไปขอเชิญทุกท่านกราบพร้อมกันนะครับกราบกราบ อุตสาลุอีกว่าเราแก่ยาถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวาเมวะอีตทีนั่งเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเววะสมิจตุสเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติระโสยะถา สพีติโยวิวัตชนตุสัพโรคโควินาสตุมาเตปวัติวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอาภิวาทนาศีลิสนิจจังวุทราปจายิโนจัตตารโรธรรมาวัทันตีอายุวันโนสุขังพระลังสาธิตในฐานะปีใหม่นะหลวงพ่อก็ อ, อวยพร ด้วยบุญด้วยกุศลที่หลวงพ่อทํามานะที่พวกเราทํามาอย่างน้อยก็ทํามาร่วมกันแหละถึงมาเจอกันขอให้พวกเราเป็นคนดีมีศีลมีธรรมนะแล้วชีวิตเราก็จะดีขึ้นนะมีความสุขมากขึ้นเราดํารงชีวิตด้วยเหตุด้วยผลเราก็ไม่จนนะเราก็ไม่ทุกข์นะเลกพรของหลวงพ่อไม่ค่อยเหมือนใครเนาะต้องทาเอานะต้องทาเอา ตั้งใจอะไรที่ไม่ดีผ่านไปแล้วนะไม่เอาอีกอะไรที่ดีๆก็ทำอีกแล้วทำให้ดีมากขึ้นมากขึ้นเคยทุศีลก็อย่าทุศีล น, นะเคยฟุ้งซ่านมากก็ฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้มากขึ้นมากขึ้นแยกธาตแยกขันไปฝึกให้มากฝึกให้บ่อยแล้วเราจะได้ของดีของวิเศษเราจะได้ของฝันของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ของกระจง่งงอแงหรอกนะอ่ะทํานี้นะ สเขาชอบให้ผ่อนให้รวยรวยให้อะไรเนาะ อ, อยากรวยก็ให้รวยนะเออ